บทที่18นายขาวกับนายแดงพระครูวิจิตเจ้าวาดวัดภาวนาพิระตารามบางขุนนนได้มีจดหมายมารายงานความประพฤติของสมเด็แดงและสมะเด็นขาวว่าไม่ได้สนใจเรื่องการศึกษาเล่าเรียน ให้เรียนบาลีก็ไม่เรียนให้เรียนปริยัติก็อ้างว่าหัวไม่ดีเรียนไม่ได้มาบวชเปลืองเข้าสุขไปวันวันหนึง่งช่วยงานวัดบ้างเท่าที่จาเป็นแต่ส่วนใหญ่มักจะหลบเลี่ยงสามเณรทั้งสองอายุครบบวชเป็นพระภิกษุแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมบวชอ้างว่าจะลาสิกขามาอยู่วัดบ่าประม่วงก่อน แล้วก็ถ้าหากจะบวชก็จะบวชที่วัดป่ามะม่วงนี้ในจดหมายยังขอความเห็นจากสมภารวัดป่ามะม่วงว่าจะอนุญาตให้สมณเณรคู่แฝดลาสิกขาหรือไม่ทันทีที่อ่านจบท่านพระครูก็เขียนตอไปว่าอนุญาตให้เนรสองรูปลาสิกขาได้พร้อมกันนั้นก็ได้เล่าให้สมณเณรวัดภาวนาพิระตารามฟังว่า เนนสองรูปนี้มีอากุศลกรรมติดมาแต่ชาติบางก่อนหากไม่พัฒนาตนไม่สร้างความดีหนีความชั่วก็จะต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยท่านได้พยายามอบรมสั่งสอนบุคคลทั้งสองให้ดีที่สุดหากก็ไม่หวังว่าเขาจะพัฒนาได้เพราะนั่นย่อมขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเขาคนที่ไม่บีบุญเก่าติดตัวมา แม้ในชาตินี้เขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดก็สามารถบรรลุถึงชีวิตที่ดีงามได้แต่ถ้าเขาไม่มีบุญเก่าทั้งยังไม่ทำความเพียรเขาก็จะหมดโอกาสที่จะบรรลุคุณความดีต้องเวียนว่ายวกวนอยู่ในวัฏจัชีวิตต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเจ็ดวันให้หลังนายแดงก็กลับมาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเข้ามาแต่เพียงผู้เดียว และเรียนท่านพระครูว่านายขาวไปหางานทําที่เมืองจันทบรุรีโดยเนรที่สึกกรุ่นเดียวกันชวนไปท่านพระครูรู้ในบัตรนั้นว่านายขาวไม่มีโอกาสได้กลับมาที่วัดนี้อีกเขาจะเป็นไข้ป่าตายอยู่ที่จันทบรุรีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส่วนนายแดงนั้นหากไม่สร้างความดีด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก็จะต้องตายก่อนอายุส0สเขาเป็นผู้กรรมชะตาชีวิตของเข้าเองหากเขาเลือกที่จะสร้างความดีมีความชั่วเขาก็จะมีอายุยืนยาวต่อไปแต่ถ้าเขาทำตัวเป็นพ่อพวงมาลาลอยไปแล้วลอยมาหาที่แขวนไม่ได้ชีวิตของเข้าในชาตินี้ก็จะสิ้นสุดลงคือตายจากชาตินี้ไปเกิดชาติใหม่ วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติถ้าเองเชื่อขา้าก่จงเล่งสร้างความดีด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแต่ถ้าเองทำตัวเลเพลาดพลาดเหมือนที่แล้วแล้วมาเองก็เป็นได้เพียงแค่เศษมนุษย์บุรุษโคมลอยหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ข้าเตือนเองเท่านี้แหละไม่ต้องพูดกันมาก เพระเองก็โตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วหลวงพ่อจะให้ผมบวชหรือครับเขาถามเพราะไม่ประสงค์จะบวชก็เองไม่อยากบวชไม่ใช่หรือไม่อยากครับไม่อยากบวชก็ไม่ต้องบวชประเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามาบวชเสียผ้าเหลืองศึกไปเปลืองผ้าลายแต่เองก็ต้องพัฒนาตนต้องก้าวหน้าไปข้างหน้า ไม่ใช่หยุดอยู่กับที่อย่าลืมว่าก้าวก็จะต้องมีเกาะเกาะก็จะต้องมีเก็บอย่าทำเป็นคนประเภทหาทิศเกาะที่เก็บไม่ได้จำไว้ในแดงรู้สึกรำคาญเพราะขาดปัญญาที่แทบเข้าใจลึกซึ้งถึงความหวังดีที่ท่านพระครูมีต่อเขาจึงแอบบ่นในใจว่าอยู่โน่นก็ถูกว่ามานี่ก็ถูกบ่น รำคาญ ร, รำคาญชมัดเลยท่านพระครูอ่านใจเขาออกจึงย้อนว่ามีคนคอยบ่นคอยว่านะ่ะถือว่าโชคดีคนโง่เท่านั้นถึงจะรู้สึกรำคาญเอาละไปหาที่พักได้แล้วมีห้องว่างที่หอประชุมอยู่ห้องนึงเองไปพักที่นั่นก็แล้วกันนม่แดงลุกออกไปแล้ว ท่านพระครูก็เตรียมตัวลงรับแขกที่กุฏิชั้นล่างซึ่งมีผู้คนมารอให้ท่านช่วยคับข้างเช่นทุกวันรายแรกเป็นสตรีสองบุรุษหนึ่งครั้นกราบสามครั้งแล้วบุรุษผู้มากับสตรีทั้งสองคนก็เอ่อยขึ้นว่าห <s> ลวงพ่อจำผมได้หรือเปล่าครับผมเป็นอายการชื่อเชอิดศักดิ์ที่เคยพาน้องชายมาขอเข้ากรรมฐาน แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้น้องชายตั้งใจปฏิบัติให้ดีไม่เช่นนั้นจะถูกภรรยาฆ่าตายจำได้ที่เข้ามาบวชที่เมืองการแล้วก็มาขอเข้ากรรมาฐานที่วัดนี้แต่เขาไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติอัตามาเห็นว่าเขาไม่สามารถแก่กรรมได้และตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างล่ะท่านถามถึงนายชวนศิลป์ ถูกน้องสะพ้ายผมยิงตายผมมากับน้องสะพ้ายแล้วก็พี่สาวของเขาครับท่านพระครูจึงพูดกับคนยิงสามีตายว่าเป็นอย่างไรบ้างยิงสามีแล้วรู้สึกอย่างไรสบายใจมากค่ะหลวงพ่อหนูไม่เคยเสียใจเลยถึงจะติดคุกก็ไม่เสียใจถ้าย้อนเวลากลับไปได้และหนูตัดสินใจใหม่ว่ายิงหรือไม่ยิงหนูก็ต้องเลือกยิงเขา ตอนเขาอยู่หนูไม่มีความสุขเลยแต่พอเขาตายหนูสบายอกสบายใจมากพี่ชายกับพี่สาวหนูก็คิดว่าหนูมีสติไม่ดีเลยพามาหาหลวงพ่อค่ะหนูผิดปกติหรือเปล่าคะทำไมหนูทึ่งไม่เสียใจเลยสักนิดเพราะหนูกับเขาเป็นคู่เวรกันมาหน่ะสิญาติโยมจาไว้นะคนที่เคยฆ่า ก, กันมาชาตินี้ก็ต้องฆ่า ก, กันอีก สามีข้องโยมคนเนี้เคยมาเข้ากรรมฐานที่นี่ตอนเข้าบวชอัตมามองหน้าแล้วก็รู้ว่าต้องถูกภรรยาเข้าฆ่าตายตอนนั้นเขายังไม่ได้แต่งงานอัตมาจึงบอกให้เขาตั้งใจปฏิบัติจะได้ขออโหสิ ก, กรรมแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาก็ไม่เชื่อในที่สุดก็ถูกภรรยายิงตายจริงๆ นี่ท่านอายการก็เป็นพยานได้ว่าอัตมาพูดจริงหรือไม่ตอนนั้นเข้ามากับอัยการซึ่งเป็นพี่ชายเขาพ่อเขาก็มาด้วยใช่ไหมท่านถามอายการเชิดสัก์ใช่ครับตอนเ้าตายคุณพ่อไม่ได้เสียใจมากเพราะท่านเชื่อตามที่หลวงพ่อทํานายไว้ครับและทําไมถึงยิงสามีตายล่ะคะ สตรีที่นั่งข้างหลังภรรยานายชวนศินป์ถามด้วยความอยากรู้หญิงสาวจึงเล่าว่าเขาจะชู้ค่ะไปเที่ยวมีอะไรๆกับผู้หญิงบริการแล้วก็เอาเงินของดิฉันไปให้ผู้หญิงอื่นคนที่เขาจะตายเขาบังคับให้ฉันเซ็นเช็คให้เขาสองล้านบาทฉันไม่ยอมเซ็นเขาก็ทำร้ายฉันพอดีเอาปืนไว้ที่ใต้หมอน ฉันเกิดหน้ามืดคว้าปืนยิงหน้าผากเ่าไปนัดหนึ่งก็เท่านั้นเองหล่อนพูดเหมือนกับว่าฆ่ายุงตายไปตัวหนึ่งแม้ก็น่ายิงสักหกนัดเป็นฉันชันยิงให้หมดกระสุนเลยสตรีคนที่ถามพูดขึ้นหล่อนเกลียดผู้ชายประเภทนี้มากน้องสะพ้ายผมก็เลยถูกจับในข้อหาผู้ร้ายฆ่าคน แต่พอคดีถึงที่สุดสารก็ยกฟ้องเพราะถือเป็นการป้องกันตัวแล้วก็เช็คสองล้านที่เป็นพยานหลักฐานอย่างดีผมเป็นคนช่วยเขาเองครับเพราะผมเห็นแก่ลานเขามีลูกสามคนยังไม่ได้เข้าโรงเรียนสักคนเลยเมื่อพ่อตายแล้วแม่ก็ไปติดคุกอีกเด็กๆคงแย่แบบนี้เขาหมดเวรหมดกรรมกันหรือยังล่ะครับหลวงพ่อ อายการถามท่านพระครูโยมอยากจะหมดเวรหรือต่อเวรกันอีกละ่ะท่านพระครูถามภรรยานายชวนศิลป์อยากหมดเวรค่ะหมดแบบที่ไม่ต้องพบกันอีกเลยไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนไหลวงพ่อกรุณาแนะนำด้วยเถอะค่ะว่าหนูจะต้องทำอย่างไรต้องเข้ากรรมาฐานอย่างน้อยสิบห้าวัน ตั้งใจปฏิบัติจะได้อโหสิกรรมจากเขาแล้วก็อย่าไปอาคาดผูกเวรฝากลูกสามคนไว้กับป้าเขาเซ็กซิ่้าวันป้ารับไหมท่านถามพี่สาวของภรรยานายชวนศิลรับค่ะหลวงพ่อหนูอยากให้น้องสาวหมดเวรหมดกรรมที่ทำไว้กับน้องเคยฟังหลวงพ่อพูดแล้วหนูก็ค่อยสบายใจ ตอนแรกก็คิดว่าน้องคงจะเป็นโรคจิตถึงได้ไมินึกเสียอกเสียใจที่ได้ฆ่าสามีตายไม่ใช่โรคจิตล็อกโยมแบบนี้เขาเรียกว่าโรคกรรมถ้าเขาตั้งใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่พูดไม่คุยกับใครก็จะสามารถรักษาโรคกรรมได้เอาละแล้วอาตมาจะช่วยแผ่เมตตาให้อีกแรงหนึง่งตอนนี้โยมชวนศิลเขาคงรู้แล้วละ กว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็คงเสียใจที่ไม่เชื่อคําแนะนํำของอาตมาเมื่อได้รับคําตอบเป็นที่พอใจแล้วภรรยาในชวนศิลก็ชวนพี่สาวของหล่อนและพี่ชายของสามีกลับพร้อมทั้งสัญญาว่าจะมาเข้ากรรมฐานในวันโกนที่จะถึงนี้รายต่อมาเป็นพยาบาลสาวกับสามีซึ่งเป็นนายแพทย์ ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันหล่อนแนะนําตัวว่าหนูเป็นลูกสาวอาจารย์ชิดที่เป็นมะเร็งตรงลําคอแล้วหลวงพ่อช่วยรักษาให้หายเมื่อหลายปีมาแล้วหลวงพ่อจําอาจารย์ชิดได้ไหมคะจําได้สิอ๋อหนูเป็นลูกสาวรึแล้วคุณพ่อสบายดีไหมพ่อหนูเสียแล้วค่ะหล่อนตอบเสียงเศร้าๆตายแล้วรึ เป็นอะไรตายล่ะเมียใหม่ก็เอายาพิษผสมในอาหารให้กินค่ะนั่นสิหลวงพ่อเตือนแล้วตอนที่เขาลากลับไปหลวงพ่อรู้ว่าเขาจะต้องตายเพราะถูกวางยาได้ขอบินทบาทเขาไว้ขอนึงว่าถ้าพวกบ้านตายอย่าแต่งงานใหม่นะแสดงว่าเขาไม่เชื่อหลวงพ่อถ้าพ่อเชื่อหลวงพ่อ ก็จะยังไม่ตายใช่ไหมคะถูกแล้วหนูเมื่อสองปีที่แล้วเข้ามาขอสมเด็จจากหลวงพ่อไปสององค์หลวงพ่อถามว่าจะเอาไปให้ใครเขาก็อ้าอึงไม่ยอมตอบหลวงพ่อมองหน้าก็รู้ว่าเขาจะเอาไปให้ผู้หญิงก็เลยเตือนเขาอีกว่าถ้าแต่งงานอีกจะต้องถูกเมีมยใหม่ค่ะเขาก็ไม่พูดว่าอะไร ถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าตอนนี้พระสมเด็จต้องอยู่ที่เขาและเขาก็คงเอาไปให้ชายชู้เขาฆ่าพ่อเพราะเขาอยากได้สมบัติของพ่อไปบำเรอชู้ค่ะลูกสาวอาจารย์ชิดพูดอย่างเคืองแค้นพระสมเด็จอยู่ที่หลวงพ่อแล้ว พ่อหนูเขานํามาคืนเมื่อวันวิสาขาบูชาที่ผ่านมาเขาบอกว่าเอาพระมาคืนแล้วจะลากลับหลวงพ่อกําลังยุ่งยังไม่ทันได้คุยกับเขาเกาะกลับเสแล้วกลับไปตอนไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อบอกว่าพ่อเอาพระมาคืนวันวิสาขาบูชาเหรอคะหล่อนทําหน้าประหลาดใจถูกแล้วหลวงพ่อยังจดบันทึกไว้เลย มีอะไรหรือพ่อตายก่อนวันวิสาขาวันหนึ่งค่ะแสดงว่าพ่อไม่ต้องการให้พระสมเด็จอยู่ในมือคนชั่วจึงได้นํามาคืนหลวงพ่อไม่น่าเชื่อนะคะว่าคนตายไปแล้วจะนําพระมาคืนได้ถึงว่าสิหลวงพ่อเห็นหน้าเขาเศร้ า, าๆเศรยังไงจบคนที่แท้ก็ตายแล้วนี่เองแต่หนูไม่ต้องห่วงนะ คุณพ่อเข้าไปดีเพราะเ็าเคยปฏิบัติกรรมฐานอยู่เป็นเดือนที่หนูมาก็เพื่อจะเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าหนูจะฟ้องเมียใหม่ของพ่อดีไหมคะเพราะมีพยานรู้เห็นและหนูก็เก็บซองยาพิษได้ในห้องเขาตอนที่เขาไม่อยู่อย่าไปฟ้องร้องเขาเลยหนูมันจะเป็นเวรเป็นกรรมกันเปล่าๆก็ทำกรรมก็ต้องได้รับผลอยู่แล้ว ไม่ต้องไปฟ้องร้องเขาให้เสียเวลากดแห่งกรรมลงโทษเขาอยู่แล้วแบบนี้แสดงว่าพ่อเขาเคยฆ่าเขาไว้หรือเปล่าคะเหมือนผู้หญิงคนเมืตกี้เนี้ยที่เขาฆ่าสามีเพราะสามีเคยฆ่าเขาไว้หลอนหมายถึงภรรยาในชวนศิน์ไม่ใช่หลอกหนูผู้หญิงคนนั้นเขาฆ่าพ่อหนูเพราะเขาอยากได้สมบัติไปให้ชายชู้ อย่างที่หนูพูดมานั่นแหละถ้าคุณพ่อของหนูไม่ไปแต่งงานกับเขาก็จะไม่ต้องถูกเข้าค่าเป็นเพราะเขาไม่เชื่อลุงพ่อก็เลยต้องมาตายทั้งที่รอดตายมาจากโรคมะเร็งได้แล้วหนูไม่ต้องไปคิดมากนะคุณพ่อเขาไปดีแล้วไม่ต้องห่วงเขาแล้วก็ไม่ต้องไปฟ้องร้องแม่เลี้ยง คนจีนเขาบอกว่าถ้าต้องขึ้นโรงขึนศาลกินขี่ม้ายังดีเสียกว่าเชื่อคนจีนเขาดีกว่านะหนูนะค่ะหนูจะเชื่อหลวงพ่อค่ะรู้ว่าพ่อไปดีหนูก็หายห่วงแล้วหนูคิดว่าพ่อคงไม่อยากให้หนูฟ้องผู้หญิงคนนั้นแต่หนูสังหรณ์ใจนะคะหลวงพ่อสังหรณ์ใจว่าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้จะต้องถูกชายชู้เ ข, ข้าค่า เพื่อจะเอาสมบัติไปให้หญิงชูเขาต้องได้รับกรรมเหมือนที่ทำไว้กับพ่อท่านพระครูรู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นดังที่ลูกสาวอาจารย์ชิดสังหอนใจหากท่านก็ไม่ได้พูดออกมาถ้าเช่นั้นหนูขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อมากค่ะหลวงพ่อคะสามีของหนูมีเรื่องจะเรียนปรึกษาค่ะเขาเป็นหมอทำงานอยู่โรงพยาบาลเดียวกับหนูค่ะ ภรรยาแนะนําให้แล้วนายแพทย์หนุ่มจึงเอ่ยขึ้นว่าเป็นเรื่องของเจ้านายของผมนะครับท่านเป็นผู้อํานวยการโรงพยาบาลที่ผมทํางานอยู่ตอนนี้ท่านมีทุกข์อย่างแสนสาหาัสกินไม่ได้นอนไม่หลับผมสงสารท่านมากครับพอรู้ว่าผมจะมากราบหลวงพ่อท่านก็ฝากผมมาเรียนถามท่านไม่กล้ามาเอง เพราะเกรงจะมาร้องไห้ให้คนอื่นเห็นตอนท่านมาบอกให้ผมกราบเรียนลุงพ่อท่านก็ร้องไห้ครับเป็นผู้ชายทำไมต้องร้องไห้ด้วยอาตมาไม่ชอบผู้ชายขี้แยเรื่องร้องไห้ต้องยกให้ผู้หญิงเขาอาตมาเคยคิดนะว่าถ้าแข่งขันร้องเพลงไทยกันอย่างร้องเพลงเทา เพลงสามชั้นสองชั้นต้องร้องยังไงแต่ก็น่าจะมีแข่งขันร้องไายกันบ้างรับแต่พวกผู้หญิงผู้ชายไม่รับให้พวกเข้ามาร้องไห้แข่งกันก่อนจะร้องก็ต้องเบะเบะสามชั้นยังไงสองชั้นทำยังไงก็คงสนุกดีเหมือนกันนะท่านพูดเพื่อให้คนฟังรู้สึกลายเครียดลงบ้าง ท่านเองแม้ไม่เครียดแต่เมื่อฟังเรื่องคิตเครียดก็รู้สึกว่าใจฝ่อแฝดไปเหมือนกันทำไมโลกนี้ถึงมีแต่ปัญหาแล่าหนอผมสงสารท่านครับแต่อดคิดในใจไม่ได้ว่าถ้าปัญหาเกิดกับผมแม้จะทุกข์อย่างไรผมก็ไม่ร้องไห้ให้ใครเห็นผมเห็นด้วยกับหลวงพ่อครับว่าเรื่องร้องไห้ต้องยกให้ผู้หญิงเขา ผู้ชายไม่ควรจะร้องไห้เจ้านายของหมอท่านทุกเรื่องอะไรละ่ะท่านพระครูถามเพื่อจะได้ไม่เสียเวลายังมีคนนั่งรออีกหลายสิบปลายเรื่องครอบครัวครับคือภรรยาท่านเป็นพยาบาลทํางานที่เดียวเหมือนกันกันกบภรรยาผมภรรยาท่านสวยมากครับแต่ในสายตาของผมผมก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยน่าเกลียด เพราะตามใจตัวทุกเรื่องขอประธานโทษนะครับถ้าผมพูดให้ตรงกับนิสัยและพฤติกรรมของเธอก็คือเธอแรบมากครับเป็นผู้หญิงแรบที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมาคนเป็นหมอเอาตะกรกลมาไว้ที่ปากลูกสาวอาจารย์ชิดจึงต้องสกิดสามีเขาไปทำอะไรให้หมอหรือถึงไปว่าเขาอย่างนั้น ท่านพระครูพยายามวางตัวเป็นกลางเขาไม่ได้ทำอะไรผมหรอกครับหลวงพ่อแต่เขาทำกับเจ้านายผมถ้าผมเป็นเจ้านายผมแตะทิ้งไปแล้วผู้หญิงกาการแบบนี้ผมไม่เอามาทำลูกทำเมียต่อให้สวยเป็นนางฟ้าผมก็ไม่สนนายแพทย์หนุ่มรู้สึกเคืองแค้นแทนเจ้านายแล้ววันนี้อาตมาจะได้ฟังไหมเนี่ย ว่าเจ้านายของหมอนะมีความทุกข์เรื่องครอบครัวยังไงท่านพระครูพูดขัดขึ้นเมื่อเห็นท่าทางในแพทย์หนุ่มจะสาธยายต่อไปอีกนานครับผมจะเล่าเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็จึงเล่าว่าพระยาเจ้านายผมหนีไปอยู่กับนายพลเอกครับ เขาเอ่ยนามในพลพูดซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในวงการทหารอ้าวทำไมทำอย่างนั้นล่ะท่านพระครูพูดเสียงตำหนิผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เขาหน้าด้านกันมากฝ่ายหญิงให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าพอเห็นในพลคนนี้เขาก็รู้สึกสยิวขึ้นมาทั้งตัวแล้วก็หมายมั่นในใจว่าจะต้องเอามาเป็นผัวให้ได้ คนเอาตะไกรมาไว้ที่ปากบรรยายประเมินค่าไปในตัวเขาประเมินค่าทางจริยธรรมของคนเป็นภรยาเจ้านายแล้วในพลเขาไม่มีภรรยาหรือสมพานวัดป่ามะม่วงถามมีครับภรรยาเป็นคุณหญิงทั้งสวยทั้งมีการศึกษาลูกๆโตกันหมดแล้วพอในพลมาระเมิดศีลแบบนี้ ลูกเมียก็พลอยอับอายขายหน้าไปด้วยส่วนเจ้านายผมคับแค้นใจที่ถูกนายพลแย่งเมียลูกสามคนก็ร้องไห้หาแม่ทุกวันหลวงพ่อคิดดูสิครับว่าครอบครัวเจ้านายผมสับสนโอลมมนเพียงใดคนชั่วเพียงสองคนทำให้คนอีกหลายคนต้องทุกข์ผู้หญิงคนนี้ชั่วมากครับ เขาเอาอิทธิพลชายชู้มาหู่บังคับให้เจ้านายผมยอมอยาแล้วก็ก็ยุแย่ให้ในพลยากับคุณหญิงแต่ลูกๆไม่ยอมให้แม่ยาหลวงพ่อช่วยเจ้านายผมด้วยเถอะครับเล่ามานานสองนานในที่สุดก็ลงท้ายด้วยการให้ช่วยเช่นไรอื่นๆท่านพระครูพูดเสียงเรียบเรียบว่าช่วยไม่ได้รอกคุณหมอ มันเป็นกรรมที่ผวกเข้าเกี่ยวข้องผูกพันกันมาหลายภพชาติแปลว่าเรื่องกรรมเราแก้ไขไม่ได้เลยเหรอครับแก้ไขได้ถ้าเจ้าตัวเต็มใจที่จะแก้ไขแต่เท่าที่คุณหมอเล่ามาคู่นี้กากาลังลุ่มหลงเพลิดเพลินในโลกกระทโดยเฉพาะอิทธารมผู้หญิงกําลังหลงเพลิดเพลินกับลาบยศสลรเสรญสุข ของในพลคนนี้ข้างฝ่ายในพลก็หลงหลกรรมคุณหา้าอันได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสของภรรยาเจ้านายคุณหมอในเมื่อเขาต่างหลงหลกันและกันเช่นนี้ก็ไม่มีใครไปห้ามเขาได้แต่เชื่ออาตมาเธอว่าพอกดแห่งกรรมมาให้ผลเขาก็มีอันเป็นไป คนที่รับกรรมมากที่สุดก็คือในพลเพราะเขายักยอกเงินของแผ่นดินมาทุ่มเทให้กับผู้หญิงอีกไม่นานผู้หญิงเขาก็เอาไปทุ่มให้กับคนนมกว่าลอกว่าเขาและเขาก็จะตายอย่างทรมานตายแล้วก็ต้องตกนรกไม่มีใครช่วยเขาได้เพราะเขาไม่ยอมช่วยตัวเองแล้วผู้หญิงล่ะครับเขาจะไม่ได้รับกรรมหรอครับ เขาเอาความทุกข์มายัดเยียดให้คนอื่นแย่งความสุขของคนอื่นไปแล้วทาไมก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้ก็เพราะเขายังสเสวยบุญเก่าอยู่ต่อเมื่อบุญเก่าหมดนั่นแหละบาปกรรมก็จะมาตามสนองเขาคุณหมอกลับไปบอกเจ้านายเทว่าให้ตัดใจเสียกลมหน้ากลมตาเลี้ยงลูกต่อไป อีกไม่นานก็จะมีพยาบาลมาช่วยเลี้ยงท่านพูดเป็นปริศนาครับผมจะไปเรียนท่านตามนี้ท่านฝากปัจจัยมาทำบุญครับเขาประเคนซองสีขาวแ ด, ด่ท่านข้าปรึกษาหรือท่านพระครูถามยิ้มยิ้มปัจจุบันข้าใช้ใจ่ายในวัดเพิ่มจนวนมากขึ้นแต่ก็มีผู้บริจาคเนืองเนือง ทำให้อยู่ได้ไม่ขัดสนท่านถือคติตามที่หลวงพ่อสดสอนไว้ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆลูกสาวอาจารย์ชิดและในแพทย์หน่มกลับไปแล้วสตรีอายุห้าสิบเศษก็รายงานว่าหลวงพ่อคะดิฉันแอบสืบมาได้ว่า สามีไปสร้างบ้านให้เมียน้อยอายุกราวลูกเห็นว่าราคาตั้งสิบล้านบ้านที่ดิฉันอยู่ราคาไม่ถึงสามล้านไม่รู้ว่าเขาเอาเงินมาจากไหนท่านพรครูตอบทันทีว่าไม่ใช่เงินเขาหอกแต่เป็นเงินที่เขาช่อราชบังหลวงมาเขาบาปมากที่เอาเงินประชาชนไปสร้างบ้านให้ผู้หญิงแล้วก็ไม่ใฉ่ภรรยาตามกฎหมาย โยมไม่ต้องไปอิจฉาเขาเราอยู่บ้านเราราคาถูกกว่าแต่ก็เป็นเงินที่ได้มาด้วยความถูกต้องสามีของโยมบาปมากวันหนึ่งเขาต้องได้รับผลกรรมเชื่ออาตมาตเถอะท่านเห็นว่าเมื่อสร้างบ้านเสร็จหญิงสาวผู้นั้นจะพาสามีไวเดียวกันมาอยู่เมื่อข้าราชการจอมคอร์รัปชันมาพบเข้า ก็จะถึงกับหัวใจวายตายทันทีตายแล้วก็ไปตกนรกทันทีเหมือนกันท่านรู้ยิ่งไปกว่านี้อีกว่าข้าราชการไทยจำนวนไม่น้อยที่มีพฤติกรรมแบบเดียวกับผู้ชายคนนี้และพวกเขาก็จะไปพบกันในเมืองนรก